สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสตรอฟเอฟเอ็ร้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูุ์อาภิปุโนโจากวัดป่าดอนไหสวันนี้ก็จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับการปฏิบัติมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังโดยในวันนี้จะได้ให้ฟังเทศของครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังเป็นครูบาอาจารย์ที่ข้าพเจ้าได้ถือนิสัยอยู่ปฏิบัติ ด, ด้วย คือท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกท่านพระครูสิทธิประภากรหรือว่าหลวงพ่อด็อเตอร์สะอาดที่ถวาโสและได้เทศถึงเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติในการฝึกหัดจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ได้โดยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเพื่อให้มีความแตกต่างกันบ้างท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะนำเทศของหลวงพ่อมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟัง ในเรื่องของพิธีการฝึกหายใจท่านผู้ฟังที่สามารถจะปฏิบัติร่วมกันไปได้แล้วก็ลองนั่งสมาธิดูหรือว่าถ้าทำไปไม่ได้ก็ลืมตาแั้วแหละหรือทำกิจการงานอย่างอื่นไปแล้วก็ลองปฏิบัติร่วมกันไปนั่เป็นการฝึกจิตฝึกใจโดยใช้หลักเรื่องของลมหายใจเป็นเครื่องมือขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังธรรมเทศนา เรื่องการฝึกใจโดยพระครูสิทธิปปากรหลวงพอ่อดรสะอาดทิโทภาโสจะาวาดวัดป่าดอนไฮโซการฝึกหัดมีอยู่สองอย่างฝึกหัดกายฝึกหัดใจฝึกหัดกายเช่นเรา ฝึกหัดเขียนหนังสือเริ่มมาตั้งแต่เป็นเด็กเราฝึกกายให้เขียนหนังสือหรือว่าให้ทำงานต่างๆอันนี้เรียกว่าฝึกหัดกายแต่การฝึกหัดอีกอันหนึ่งคือการฝึกหัดใจเราจะอะไรมาฝึกใจของเราถึงจะ มีความสงบมีความสุขเราถึงจะหมดทุกข์ในวัฏสงสารอันนี้คือสำเร็จเป็นพระอรหันเราจะเอาอะไรมาฝึกใจนี้ฝึกยากเอาวัตถุสิ่งของมาฝึกมันก็ไม่อยู่ก็ไปตามเรื่องของมัน เราต้องแก้ไขโดยการที่เอาธรรมะคําสอนของพุทธเจ้ามาฝึกฝึกอะไรฝึกใจฝึกใจของเรานี่แหละให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งหรือเรียกว่าให้เป็นสมาธิให้เอาธรรมะคําสั่งสอนของพุทธเจ้ามาฝึกมันถึงจะ สามารถพ้นจากกองทุกได้เราเอาธรรมะพระพุทธเจ้าสอนไว้ในการที่จะฝึกหัดใจใมีอยู่สี่สิบวิธีแต่ละวิธีก็แยกย่อยออกไปอีกหลายหลายอย่างแต่พระพุทธเจ้าสอนไว้แค่สี่สิบวิธี พุโทโธก็ดีอนาปานาสติก็ดีเป็นพวกอนุสติสิบเราเลือกเอาอนาปานาสติมาฝึกหัดคือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือให้ใจเราอยู่กับลมจึงจะสงบได้ถ้าใจไม่อยู่กับลมไม่สงบ ฟุ้งซ่านคิ ด, เ, ดเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดแต่มันจะคิดขนาดนอนไปแล้วยังฝันอีกมันคิดมันนึกมันรู้สึกไปต่างๆนานาเราต้องเอาคำสอนของพุทธเจ้ามาฝึกหัดมันมันถึงจะอยู่ในที่นี้เราเลือกเอาอาณาปานสติมาเป็นข้อฝึกหัดใจของเราให้สงบ ทำใจของเราให้ตั้งเที่ยงตั้งมั่นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้เรานำมาประพฤติปฏิบัติหัดใจของเราที่นี้เราจะทํำยังไงเรานั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักกําหนดรูลมหายใจเข้า ลมหายใจออกลองกำหนดดูดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกถ้าไม่สามารถทำได้ให้หายใจลึกๆสักสองสามครั้งเราหายใจลึกๆ ล, ลงไปแล้วก็ผ่อนให้ลมออก ลมกระทบตรงไหนหรือเรารู้ได้ตรงไหนในจมูกของเราให้เราตั้งสติไว้ตรงนั้นตั้งสติไว้ตรงที่ลมหายใจกระทบนั่นแหละคอยรู้อยู่ตรงนั้นความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆที่มาเป็นอุปสรรค ในการทำความสงบของเราเราไม่ต้องใส่ใจให้ใส่ใจแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ลมกระทบนั่นแหละก็ไม่ใช่ปลายจมูกอย่างเดียวขยับเข้ามาข้างในสักหน่อยหนึ่งขยับเข้ามาแล้วมันจะเห็นชัด จะเห็นลมชัดขึ้นหรือว่ารู้ลมชัดขึ้นเวลาลมเข้าก็ให้รู้ว่าลมเข้าเวลาลมออกก็ให้รู้ว่าลมออกให้คอยรู้ให้คอยรู้อย่างนี้แหละอยู่เรื่อยๆอยู่เป็นประจำจนกว่าจิตเราจะสงบเป็นหนึ่ง มีอารมณ์เดียวไม่คิดนึกฟุ้งร้านไปในที่ต่างๆให้สังเกตดูให้ดีลมหายใจเข้าออกของเราเรากำหนดรู้ได้ไหมให้คอยรู้คอยดูคอยเห็นอยู่ที่นั่นแหละเพิ่มขึ้นไปอีกลมหายใจเข้ายาว ก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกสั้นเอาเท่านี้ก่อน ไม่อธิบายไปทั้งหมดละเอาเฉพาะเท่านี้แหละเราจะฝึกหัดด้ให้คอยสังเกตรูลมเข้าออกลมยาวก็ให้รู้ด้วยลมสั้นก็ให้รู้ด้วยแต่เราไม่ได้ไปแต่งนะไม่ได้ไปแต่งให้ลมสั้นลมยาวนะเราสังเกตเราเห็นลมเข้ายาวเราก็ให้มีสติรู้ว่าโอ้ลมเข้ายาวมันเป็นอย่างนี้ คนปกติไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจลมหายใจจะยาวถ้าตื่นเต้นตกใจลมหายใจจะสั้นแต่ให้เราคอยรู้ลมซสก่อนรู้ลมเข้ายาวออกยาวคอยสังเกตดู ไม่ต้องคิดนึกเรื่องอื่นถ้าคิดนึกเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไม่สงบก็ไม่ต้องท้อใจให้เราคอยกํากับใจของเราบังคับใจของเราเอาอะไรบังคับเอาสติบังคับเอาสติบังคับใจของเราให้อยู่กับปลม ความฟุ้งสั้นเราไม่สนใจให้สนใจแต่ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวให้คอยกำหนดอยู่เท่านี้แหละเอาสองขั้นแต่ว่าวิธีทำก็อย่างอธิบายมานั่นแหละให้ฝึกขัดฝึกขัดอยู่เรื่อย จนกว่าจิตเราจะเป็นหนึ่งเราก็ไม่ได้บอกหรอกว่าโอ้จิตเราจบเป็นหนึ่งนะเราไม่ต้องบอกถ้าเราทำถูกแล้วจิตจะเป็นหนึ่งเองสติของเราจะมั่นคงอยู่กับลมหายใจเข้าออกเอาสตินั่นแหละคอยควบคุมไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่าน ถึงเรื่องที่ผ่านมาหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่านึกถึงอดีตที่ล่วงไปแล้วอย่านึกถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้นึกอยู่ว่าปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เราทำอะไรเรากำลัง กำหนดรู้ใจของตนเองกำหนดรู้ใจรู้ลมนี่แหละมันใช้ได้หลายอย่างกำหนดใจหรือว่าตั้งสติเฝ้าดูใจที่อยู่กับลมเวลาลมออกลมเข้าก็ให้เรารู้คอยรู้อย่างนี้แหละ เดินอยู่ก็าตามนั่งอยู่ก็าตามนอนอยู่ก็าตามถ้ายังไม่หลับก็ให้เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่มันสั้นมันยาวเราก็ให้คอยรู้ด้วยนี่แหละเรียกว่าฝึกใจที่ไม่สงบที่ฝึกได้ยากที่สุด เราฝึกให้มันสงบลงได้ให้มันเป็นหนึ่งได้ให้มันรู้มันเข้าใจหรือบรรลุมรรคผลก็ให้มันเป็นไปได้ถ้าเราฝึกหัดมันแล้วเนี่ยเหมือนม้าที่ฝึกหัดดีแล้วเหมาะที่จะเป็นเครื่องทรงหรือใช้สอยของพระรามารา เหมือนช้างที่ฝึกแล้วก็เหมาะที่จะเป็นช้างพระที่นั่งของพระมหาราชาหรือของพระมหากษัตริย์จิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ให้มันคิดเรื่องอดีตอนาคตให้มันคิดอยู่แต่ในปัจจุบันให้มันรู้อยู่เฉพาะในปัจจุบันใจเราจะเป็นหนึ่งเลย จะมีอารมณ์เดียวจะมีความสุขเกิดขึ้นภายในนั่นทำกิตให้สงบศาสนาให้ประโยชน์แก่เราพระพุทธเจ้าสอนธรรมะไว้ไม่ให้คนท่องจำอย่างเดียวให้คนปฏิบัติตามด้วยทีนี้เรามาพิจารณาตัวตนร่างกายธาตุขันธ์ของเราจิตของเราก็จะหลุดพ้นจาก ผูุ้ชนเป็นอริยบุคคลคือเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันตายแล้วมาเกิดอย่างช้าที่สุดเกียติชาติพระโสดาบันมาเกิดอย่างช้าที่สุดเกียชาติอย่างเร็วชาติเดียวเอกับพิชีชาติเดียว ปิดอบายภูมิทั้งสี่พูดง่ายเกิดเป็นมนุษย์ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตายแล้วก็ไปสู่สวรรค์ตายแล้วไม่ไปสู่อบายภูมิปิดอบายภูมิได้ถ้าได้โสดาบันคือไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นสัตว์ดิ拉าน ไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์นรกปิดอบายภูมิสีนี้ได้เลยเรามาเกิดก็เลือกที่เกิดได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิคือเห็นดีเห็นงามเห็นชอบเห็นบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริง ถ้าเราปฏิบัติไม่ถอยเราก็เลื่อนขึ้นไปอีกเป็นพระลิคณชั้นที่สองคือเป็นพระสกิทาคามีมาเกิดในโลกมนุษย์นี่ครั้งเดียวก็สำเร็จเป็นพาระาอารหันแต่ถ้าปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ จ, จะบรรลุอนาคามี สุทธาวพสพรมโลกนี่เป็นที่อยู่ของพระอนาคามีไม่ได้ลงมาเกิดในมนุษย์อีกเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่ในพรมโลกสุททวาวแล้วสิ้นอายุพรมก็เข้าพระนิพพานเลยถ้าปฏิบัติเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุก เห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ถ้าเราเห็นชัดอยู่ในใจของเราว่าโอ้ทุกข์เป็นของมีอยู่ถ้ารับใดที่เรายังมีเกิดอยู่ความแก่และความตายก็มีอยู่เราไม่เกิดเท่านั้นจึงไม่มีความแก่ความตายไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าเราเห็นชัดอย่างนี้เราก็วางธาตุวางขันอันนี้ได้ไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญมั่นหมายในตัวตนอันนี้รู้เห็นเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนที่เราจะเข้าไปยึดถือว่าอันนี้ของเราอันนี้ตัวเราอันนี้คือ ทางสิ้นทุกหมดทุกใจของเราเป็นไปตามนั้นวางธาตุวางขันอันนี้ได้แม้เป็นมนุษย์ยู่ก็มีความสุขสุขมากสุขอยู่ภายในใจนั่งอยู่ก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุขเดินอยู่ก็เป็นสุขกินอยู่ก็เป็นสุขทำอะไรอะไรอยู่ก็มีความสุข ก็ทำไปเรื่อยๆไม่ท้อไม่ถอยไม่ละไม่เลิกไม่หยุดทําไปเรื่อยๆเราได้สวดารบันแล้วก็ทําให้มันเป็นสกิทาคามีให้มันเป็นอนาคามีให้มันเป็นพันิพานให้สังเกตดูให้ดีลมมันเข้ามันออกอยู่แต่ก่อนเราไม่ได้กำหนด บทนี้เรามากําหนดเราก็จะเห็นใจของเราหนิฟุง้งซ่านคิดไปเรื่องนั้นคิดไปเรื่องนี้ไม่อยู่กับที่กับทางไม่อยู่กับหลักทีนี้เรามาฝึกหัดเอาหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกหัดใจเราก็จะคอยน้อม เข้าหากันใจก็ดีสติก็ดีปัญญาก็ดีความเข้าใจหรือความรู้ความเห็นความเป็นไปของการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นในใจของเราใจเราจะมีความสุขมากเกิดมาชาตินี้เราได้โสดาบันก็ถือว่าดีแล้วมีบางท่านบางคน บอกกับตามาว่าอู้ชาตินี่ขอให้ได้สดรบรนเธอพอใจแล้วถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจา้ามันไม่อยู่เพียงเท่านี้หรอกมันต้องเลยขึ้นไปจนถึงอรหันโนนถ้าปฏิบัติไม่ทอ้อไม่ถอยและถูกต้องตามหลักแล้วใจเราจะสูงส่งมากความสุขในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่าพระนิพพาน พอดีผ่านชูวงสุดดีที่สุดวางความทุกข์ทั้งปวงหนีจากความทุกข์ได้มันไม่เท่านั้นหรอกถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆมันกับละเอียดอ่อนลงไปจนถึงเป็นพระอาหารหนันต์นเราพยากรตัวของเราได้เลยว่าเราสามารถทำกิจให้ปล่อยวางได้ ไม่ติดอยู่ในอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นให้คอยกำหนดลมคอยรู้ลมอยู่เรื่อยๆคอยเฝ้าสังเกตอยู่อย่างนี้แหละสังเกตลมหายใจเข้าสังเกตลมหายใจออกสังเกตอยู่คอยรู้อยู่ จิตจะลืมอารมณ์ต่างๆจะเหลือแต่สติกับจิตเป็นสมาธิส่วนมรรคผลคอยพูดกันขอให้ฝึกจิตให้เป็นสมาธิเสียก่อนเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามาฝึกขัดเรียนรู้ตำราคำพีหมดพระไตปิดกทั้งตู้ แต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดไม่เอาธรรมะเหล่านั้นมาฝึกหัดความรู้ความเห็นของเราก็ยังไม่บริสุทธิ์ถ้าเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาฝึกหัดอย่างเราเอาอนาปานนนสติมาฝึกหัดใจเราเราก็จะเห็นความสงบไม่ฟุ้งซ่าน ไม่คิดไปในเรื่องต่างๆจะมีความสุขความสงบเกิดขึ้นภายในให้คอยรู้อยู่อย่างนี้แหละถ้ามันเป็นไปแล้วนะไม่ได้ตั้งใจกำหนดมันก็รู้ก็เห็นของมันมันเห็นชัดใจเราก็ไม่งดหงิด ไม่โมโหโทโสใจมันเข้าถึงธรรมธรรมะเข้าถึงใจก็จะเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาว่าประเสริฐจริงดีจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่ารู้ธรรมคำสอนของพระองค์ตลอดทั้งสามปีโดกนี้รู้หมด เห็นหมดในคำสอนขององค์ถ้าไม่เอามาปฏิบัติไม่เอามาฝึกหัดใจก็ยังไม่มีค่าอยู่นั่นเองเพียงแต่เราไม่ต้องจำพระไตรปิฎกทั้งหมดเอาว่ารู้พุทธโทรหรือว่ารู้ลมหายใจอย่างเดียวใจเราก็สามารถเห็นความสุข เห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาว่าศาสนานเข้าถึงใจเราแล้วจำได้บทเดียวเท่านั้นแหละแค่พุทธโธหรืออนาปานสติเราเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่เพียงข้อเดียวเท่านี้เราก็สามารถพ้นจากกองทุกได้ไม่ตกต่ำถ้าเราฝึกหัดได้ เราสละเวลาของเราจากหน้าที่การงานต่างๆมาฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมบําเพ็ญคุณงามความดีเราก็ได้ประโยชน์มากมายก็มีมรรคมีผลเกิดขึ้นได้เพราะว่าคนเรานี่เกิดตายในวัฏสงสารนี่นับพบนับชาตินับกับนับกันไม่ท้่ว เกิดแล้วเกิดอีกที่พระพุทธเจ้าตรัสทุกขาชาติปุนปูนังเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่ำไปเป็นทุกข์อยู่เรื่อยการที่เราปฏิบัติธรรมนี่ถ้ามันเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันก็วางความยึดมั่นถือมันได้ก็ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ เ ป, เป็นพระสดาบันเป็นพระสกิท า, าคาเป็นพระนาคาเป็นพระอรหันเป็นได้เนี่ยเราเอาคำสอนมาฝึกหัดเพียงคอยกำหนดรู้ลมเท่านั้นไม่ได้เอามาฝึกหัดทั้งหมดในตู้พระไตรปิฎกเราหัดเท่านี้เท่าที่เห็นลมหายใจเข้าออกนี่แหละเราก็สามารถพ้นทุกข์ได้ สามารถข้ามโอขะสงสารอันนี้ได้ถ้าไมาอย่างนั้นเราเกิดมาในทุกถูกต้องนี่น้ำตาไหลกี่ครั้งเต่ละชาติเต่ละชาติเอาน้ำตาของคนผู้นั้นนะ่ะที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี่อันที่ไม่สามารถกำหนดรู้เบื้องต้นเบื้องไปลายได้นี่เอามาฝึกหัดเอามาปฏิบัติ เอามาแก้ไขให้มันดีขึ้นให้สังเกตดูสิการเกิดแก่เก็บตายของคนเราน้ำตาหลังไหลร้ลองไห้คิดถึงกันน้ำในทะเลมหาสมุทรนย่ังน้อยกว่าน้ำตาของเราผู้ถูกทุกขถูกต้องแล้วน้ำตาของเรา มากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรทั้งสี่เพราะฉะนั้นทุกท่านทุกคนเราทำชีวิตของเราให้สั้นเข้าอายุขอโทษเราทำการปฏิบัติให้มันถูกต้องตามธรรมของพุทธิจ้า การท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดของเราก็สั้นเข้าได้เป็นพระโสดา บ, บันเกิดกิจชาติเนี่ยได้พาลหันไม่เกิดเลยไม่เกิดก็หมดทุกข์ถ้ายังเกิดอยู่ก็ยังมีทุกข์อยู่ดูสิน้าตาของคนชาติหนึ่งหนึ่งมันไม่ได้ปิ๊บหนึ่งหรือว่าได้ถังหนึ่งนะ ขันหนึ่งก็น่าจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ถึงเราเกิดแล้วเรามีทุกเบียดเบียนเราน้ำตาที่เราหลั่งไหลออกแต่ละพวิชชาตเก็บมารวมกันน้ำตาที่เอามารวมกันแล้วนั้นมันมากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทร มากกว่าร้มทะเลมหาสมุทรทั้งสี่ถ้าได้ปฏิบัติแล้วได้เห็นธรรมขึ้นมาในใจหรือเห็นสุขเกิดขึ้นในใจคุ้มค่าแล้วคุ้มค่าที่เสียเวลาท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดคุ้มค่าแล้วโชคดีแล้วว่ากันเถอะ พอา ะ, ะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อยๆโดยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกลมยาวเข้ายาวออกยาวลมเข้าลมออกสั้นก็ให้คอยรู้เห็นมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออก ใจเราก็จะสงบดันโตเศษโทมนุษยสเสสุผู้ฝึกหัดใจย่อมได้รับความสุขความสงบความประเสริฐเลือล้นได้เห็นพระพุทธศาสนาด้วยใจของเรา อาตั้งใจปฏิบัติต่อไป